ครูคนแรกของเราก็คือคุณแม่ค่ะเป็นครูคุณแรกที่สอนให้เรากินให้เรานอนให้เราเดินให้เรารู้จักพูดให้รู้จักการใช้ชีวิตสอนแม้ทั้งการคลองเลือนค่ะวิธีตายก็สอนเหมือนกันนะอาจารย์คะอาจารย์เคยคิดไ้มคะว่าแม่เนี่ยมีกี่ชนิดถ้าแม่จริงๆก็มีชนิดเดียวเลอค่ะแต่ว่าความแตกต่างของแม่เนี่อาจจะต่างกันที่อุปนิสัยใจคอเละค่ะท่านพุนทธทาสบอกว่าแม่มี2ชนิดค่ะครับ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 ฉัว่าลูกปูเนี่ยก็คงจะบอกว่าแม่ของฉันเหรอแม่ของช้าน่าก็คือผู้ที่ดีแต่จะสอนให้ฉันนะเดินตรงแล้วแกเองอ่ะก็เดินไม่ได้มน่าคิดนะน่ารักดีค่ะอัน <c oughs> นี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็มีแม่ของเชโรคเนี่นะคะครับ <c oughs> แม่ของเชโรคเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ไหนเพราะลูกเชโรกเนี่ยไม่รู้เลยว่ามีแม่อยู่ที่ไหนครับ <c oughs> เขาเกิดเองใช่ไหมคะเชโรค <c oughs> ไม่มีแม่ <c oughs>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 ไม่ว่าเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์คุณแม่ก็อยู่ในใจของเราอยู่เสมอๆเราก็อยู่ในใจท่านเสมอๆไม่ทอดทิ้งในยามที่เราทอดแท้สิ้นหวังหรือมีปัญหาชีวิตมีความทุกข์มาครอบงำเนี่ยท่านก็ไม่เคยทอดทิ้งเราดูแลเอาใจใส่แล้วก็บางทีก็ปล่อยเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยกับเราบางทีเป็นทุกข์มากกับเราทันทีซ้า ไ, สไปสังเกตดูเราไม่เคยร้องไห้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 กีป่ปีคะที่คุณแม่อุ้มอาจารมาก <c oughs> ็ประมาณ5าปีได้นะ <c oughs> ห้าปีแรก <c oughs> ที่ประสบอุบัติเหตุกับในช่วงที่เที่ยวตระเวน ร, รักษาในที่ต่างๆเนี่ยคุณพ่อก็ทาหน้าที่ทำอาหากินอยู่กับเรือคุณแม่ก็จะอยู่กับผมนะอยู่กับผมเพื่อจะพาผมไปรักษาโดยการที่รักษาหมอต่างๆเนี่ยไม่มีใครมาช่วยยกแล้แม่จะช่วยยกยกขึ้นเตียงยกลงรถ